สวัสดีค่ ะ, คะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ English Radio อยู่อ่อกาดทางสถานีวิทยุกระจายใจเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีด้วยระบบ FM ความถี่แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันชนกหนาฏจีนศรีดิฉันพุทธานาศวัตโยธินเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ รายการของเราอากาศในทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจําในเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งเป็นประจําทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุธ ท, ที่สี่เดือนกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะวันนี้รายการอิงลิสเราอยู่ของเรานะคะนําสํานวนการใช้นะคะในการสนทนาเชิงธุรกิจนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะ เริ่มกันที่คำแรกนะคะจะเป็นคำว่า brainstorm brainstorm คำคำนี้นะคะมีความหมายว่าการช่วยกัน ร, ระดมความคิดเห็นทัศนาคติกที่มีในด้านของการวางแผนการวางกลยุทธ์วิธีต่างๆช่วยกันค่ะเพื่อให้มีความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้นดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ let's brainstorm to make our company better Let's brainstorm to make our company better。 ค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจอีกหนึ่งคำนะคะคำว่า multitasking multitasking นะคะ multitasking นะคะก็คือการทำงานได้หลากหลายงานนะคะเช่นอาจจะทำรายงานด้วยนะคะทำข้อมูลก็ได้การนำเสนองานนะคะหรือการคำนวณตัวเลขนะคะคือเป็นการทำงานเนี่ยได้หลากหลายงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะการ นะคะการใช้นะคะคำว่ามันติดทากิ่งนะคะ I cannot go back home now because I need to finish มันติดทากิ่ง on time first อีกหนึ่งครั้งนะคะ I cannot go back home now because I need to finish มันติดทากิ่ง on time first นะคะความหมายก็คือว่าฉันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ในขณะนี้เพราะว่าฉันเนี่ยจำเป็นต้อง นะคะทำงานซึ่งหลากหลายงานมากเลยให้เสร็จนะคะทันเวลาค่ะค่ะสำนวนที่ใช้ในเชิงธุรกิจต่อมานะคะ think outside of the box think outside of the box หรือจะใช้สำนวนนี้แทนก็ได้ค่ะ through the wall through the wall ทั้งสองสำนวนนี้นะคะให้ความหมายเดียวกันค่ะก็คือ การคิดนอกกรอบการคิดให้ทะลุเป้านะคะพูดง่ายๆก็คือการคิดให้เป็นคิดให้มากนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะของ think outside of the box นะคะก็คือ try to think outside of the box there will be a lot of creative things อีกหนึ่งครั้งนะคะ try to think outside of the box there will be a lot of creative things ประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่า พยายามคิดนอกกรอบแล้วจะมีสิ่งที่มหัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจอีกหนึ่งคำที่น่าสนใจนะคะ on the job training on the job training นะคะความหมายภาษาไทยนะคะคือการปฏิบัติค่ะลงมือจริงนะคะได้ฝึกฝน ได้ทดลองนะคะและได้ทำงานไปด้วยในตัวนะคะซึ่งเป็นการดีที่ได้เรียนรู้การทำงานไปด้วยนะคะ on the job training นะคะตเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ it's good to do on the job training because we can improve ourselves อีกหนึ่งครั้งนะคะ it's good to do on the job training because we can improve ourselves นะคะความหมายก็คือ มันดีนะคะที่เราเนี่ยจะได้ปฏิบัติหรือได้ลงมือจริงนะคะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวของเราเองด้วยค่ะค่ะคำต่อมานะคะจะเป็นคำว่า overload overload คำนี้ค่ะมีความหมายว่าการทำงานที่มากเกินไปค่ะหรือที่งานงานที่รับมอบหมายนั้นนะคะอาจจะต้องทำให ตรงตามคำหนดพร้อมๆกันหลายๆอย่างนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ too many overloaded tasks are not good อีกหนึ่งครั้งนะคะ too many overloaded tasks are not good ประโยคนี้มีความหมายว่าการทำงานที่มากเกินไปนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีค่ะ カムサピンカムネカーティーキヨコンネカーガプトルキッー。オータム、オーター、タムネピンカタムヤン、ロングランネカー、セントンタムヤンノグラティカムノンネインカー。レロノマテンプリオグ I have to do overtime for this month. According to a lot of new orders、インะะ I have to do overtime for this month. According to a lot of new orders นะคะความหมายก็คือว่าฉันเนี่ยต้องทำงานล่วงเวลาในเดือนนี้นะคะ for this month นะคะเพราะว่าเนื่องจากนะคะมะีคำสั่งซื้อใหม่ๆนะคะมีรายการสั่งซื้อใหม่ๆ เ, เข้ามา ค, ค่ะค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจต่อมาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะจะเป็นสำนวนและวลีภาษาอังกฤษเด็ดๆนะคะที่จะทำให้เรา ดูมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะในหลายๆครั้งนะคะการทำธุรกิจเนี่ยย่อมนำมาซึ่งเรื่องราวของปัญหาหรืออุปสรรคและปัญหาทางธุรกิจต่างๆนั้นนะคะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะนั่นคือสิ่ง ที่อยู่ระหว่างทางแห่งความสำเร็จของธุรกิจนั่นเองค่ะยิ่งถ้าเราทำธุรกิจกับชาวต่างชาติด้วยแล้วนั้นสิ่งหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้นะคะจะเป็นเรื่องของวลีและสำนวนค่ะซึ่งชาว native speaker เนี่ยหรือคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะคะเขาก็จะใช้สำนวนและวลีเหล่านั้นในการสื่อสารอยู่เป็นประจำค่ะดังนั้นนะคะ มีคำศัพท์วะลีสำนวนใดที่น่าสนใจเราสองคนก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังต่อไปนี้ค่ะค่ะสำนวนแรกนะคะที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะสำนวนนะคะ in hot water in hot water in hot water นะคะอยู่ในปัญหานะคะหรือต้องการความช่วยเหลือค่ะสำนวนนี้จะแปลได้แบบนี้นะคะค่ะสำนวนต่อมานะคะ heat salt heat salt นะคะที่ปกติจะแปลว่าสีสันนะคะแล้วก็ south ที่แปลว่าทางใต้นะคะทีนี้เอามารวมกันนะคะเหตุ south มีความหมายในทางธุรกิจว่าลดต่ำนะคะหรือจะแปลว่าแย่ลงก็ได้ค่ะค่ะสุนุนที่น่าสนใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกหนึ่งสุนุนนะคะ uphill climb uphill climb นะคะแปลว่าอยู่ในจังหวะหรือในสถานะที่ยากจะจัดการได้ค่ะ คำสัมพันธ์ต่อมานะคะ Red tape Red tape แปลว่าความล่าช้าของราชการนะคะหรือกระบวนการที่ยากเย็นซึ่งดำเนินการโดยราชการนั่นเองค่ะค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคำนะคะ The last door The last door นะคะก็คือปัญหานะคะหรือสิ่งสุดท้ายนะคะที่ทำให้หมดความอดทนค่ะและหมดความพยายามค่ะค่ะวลีต่อมานะคะ Above water Above Water แปลว่าการดิ้นรนหรือความพยายามดิ้นรนเพื่อให้รอดพ้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั่นเองค่ะค่ะ Cut corners Cut corners แปลว่าการใช้ทางลัดค่ะหรือเป็นวิธีลัดค่ะ In a jam In a jam แปลว่าต้องการความช่วยเหลือหรืออยู่ในจุดที่ยากค่ะค่ะสำนวนภาษาอังกฤษนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะ จะทำให้เราเนี่ยนะคะได้ได้รู้นะคะว่าคำศัพท์นั้นเนี่ยในทางธุรกิจเนี่ย ะะใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉันเนี่ยเมื่อเราได้เรียนคำศัพท์ทางธุรกิจไปบ้างนะคะเราก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถนะคะลดปัญหานะคะต่างๆทางธุรกิจนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมนะคะให้กับตัวคุณเองแล้วก็ในทีมงานที่เราจะต้องทำธุรกิจได้นะคะเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษนะคะเราก็ต้องใช้เวลาและใช้ประสบการณ์นะคะในการเรียนรู้ค่ะเพื่อที่จะนำมาใช้ให้เป็นธรรมชาตินะคะซึ่ง เราทุกค น, นก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของภาษาอังกฤษคา่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www. ภาษา 24.com นะคะและอีกหนึ่งเว็บไซต์ดีๆนะคะจาก www.britishcouncil.or.th คะ่ะ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 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมูงคนทัญญาบุรี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 กลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการอิงเลชราอูอีกแล้วนะคะทางคลื่นเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้ามิเกอร์เฮิร์สสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในช่วงที่สองของรายการนะคะเรานำสำนวนนะคะที่ได้ยินบ่อยๆนะคะในงานธุรกิจนะคะมาฝากท่านผูพ้ฟังกันค่ะค่ะ จำนวนแรกนะคะจะเป็นจำนวนอีเกิลบีเวอร์อีเกิลบีเวอร์จำนวนนี้นะคะหมายถึงคนที่กระตือรือร้นมีความขยันขันแข็งสังเกตได้นะคะว่าจำนวนนี้จะแบ่งออกเป็นสองคำนะคะก็คืออีเกิลที่แปลว่ากระตือรือร้นกับบีเวอร์ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะใช้ฟันแทะค่ะว่ากันว่านะคะสัตว์บีเวอร์ตัวเนี้ยเป็นสัตว์ที่ขยันมากๆเลยค่ะชอบแทะอยู่ตามต้นไม้อยู่บ่อยๆนั่นเอง ซึ่งนำสำนวนนี้นะคะมาใช้เรียกคนที่มีความกระตือรือร้อนในการทำงานค่ะตัวอย่างประโยคของ eager beaver นะคะก็คือ I was an eager beaver when I started work on my first job อีกหนึ่งครั้งนะคะ I was an eager beaver when I started work on my first job ประโยคนี้มีความหมายว่าฉันเคยเป็นคนที่ขยันมากเลยนะหมายถึง ตอนที่ทำงานในแรกๆนั่นเองค่ะค่ะลำดับที่สองนะคะ catch coal นะคะค่ะขออภัยนะคะ catch cow นะคะ catch cow นะคะ คำคำนี้คืออะไรนะคะทำไมมีคำว่าวัวเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยข้าวนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะคะคำว่า catch cow นะคะคำนี้เป็นสำนวนนะคะแปลว่าธุรกิจค่ะหรือสินค้าที่เป็นตัวทำกำไรให้บริษัทได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการแต่งประโยคนะคะคำว่า catch cow กันค่ะ the new product became the company's catch cow อีกหนึ่งครั้งนะคะ the new product became the company's ะความหมายของประโยคนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยได้กลายเป็นสินค้าที่ทำกำไรของบริษัทสำนวนต่อมานะคะ Golden handshake Golden handshake สำนวนนี้นะคะหมายถึงเงินก้อนที่ได้จากบริษัทหรือหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้กับพนักงานลาออกจากตำแหน่งแล้วทางบริษัทก็จะจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินให้เรานั่นเองค่ะ ตัวอย่างประโยคนะคะ When Nita left the company, she was given a golden handshake อีกหนึ่งครั้งนะคะ When Nita left the company, she was given a golden handshake ประโยคนี้มีความหมายว่าตอนที่นิตาออกจากบริษัทนะคะ left the company ออกจากบริษัทนิตาเนี่ยก็ได้เงินก้อนจากบริษัทด้วยนั่นเองค่ะ ค่ะสัมมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจนะคะสัมมูลที่สี่นะคะ hold the fort hold the fort นะคะ hold the fort สัมมูลนี้นะคะถ้าแปลตรงตัวเนี่ยหมายถึงการรักษาปร้อมปราการนะคะแต่ถ้าเรามาใช้เป็นสัมมูลนะคะ hold the fort นะคะจะแปลว่าการดูแลรับผิดชอบงานค่ะหรือหรือรับผิดชอบกิจกรรมบางอย่างให้เรียบร้อยนะคะในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยไม่อยู่นะคะดูแลรับผิดชอบในขณะที่คนอื่นไม่อยู่ เรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ When the manager is out of the office, he asks me to hold the fort อีกหนึ่งครั้งนะคะ When the manager is out of the office, he asks me to hold the fort นะคะตอนที่ผู้จัดการไม่อยู่ในออฟฟิศเขาเนี่ยก็ขอให้ฉันเนี่ยมาคุมงานแทนค่ะสำนวนต่อมานะคะ Greet someone's palm Greet someone's palm สำนวนนี้หมายถึงการที่เราให้เงินใครบางคนเพื่อให้เขาเนี่ยทำอะไรบางอย่างให้เรานั่นเองค่ะหรือจะเรียกกันง่ายๆนะคะก็คือติดสินบนนั่นเองค่ะสำนวนนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบคล้ายๆ ก, กับว่าเราเนี่ยเอาน้ำมันไปหยอดฝ่ามือเพื่อให้ทำอะไรได้ง่ายขึ้นหรือว่าคล่องขึ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างของสำนวน give someone's palm นะคะ to get promotion You would have to greet someone's palms スの時にサンドティーナンスの時にサン o ティ t ナンスの o にサ o ドティーナンスの時にサン e t o ーナンスの時にサンドティーナンスの時にサンドมィーナンスの時にサンドティーナンスの時にサンドティーนンスのนにサンドティーナンスの時にサンドティーナンスのัにサンドงィーナンスの時にサンドティーナンスの時にサンドティーนンスの時にサンドティーナンスの時 s サンドティーナンス I to จำนวนนี้นะคะหมายถึงการที่เราเนี่ยสามารถใช้ในการชักชวนนะคะคือเสนอขายสินค้าและบริการให้กับคนที่อาจจะไม่ต้องการมันเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราขายน้ำแข็งให้ชาวเอสคิโม่นั่นเองนะคะคือทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าชาวเอสคิโม่เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการน้ำแข็งหรอกนะคะ You are such a smooth talker. You could sell i とし to Eskimo. ようとしようとしようとし s うとし a s e しよう h し a l と e ようとしようとし You しようとしよ e としよう o t ようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようยしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしようとしよใช้ในกลุ่มของอาよีพしようとしようとしようとしようとしよ่としようとしようとしよう ข่าวและเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะจะเป็นการใช้สำนวนสำหรับคนที่ชอบลืมนะคะซึ่งจะมีคำว่า memory รวมกเข้าไปในสำนวนนี้ด้วยค่ะค่ะสำนวนแรกนะคะ if memory serves well if memory serves well นะคะสำนวนนี้นะคะแปลว่านะคะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะเป็นการบอกว่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจเต็มที่ในคำตอบ นะคะและสามารถใช้ขอคำยืนยันได้นะคะด้วยคำพูดของตัวเองนะคะคืออาจจะมักใช้พูดก่อนหรือหลังประโยคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ you are Sam's daughter if my memory serves me well อีกหนึ่งครั้งนะคะ you are Sam's daughter if my memory serves me well นะคะความหมายก็คือคุณเนี่ยเป็นลูกสาวของแซมถ้าฉันจำไม่ผิดนะนะคะเพราะนั้นประโยคนี้ก็คือเหมือนว่าถ้าฉันจำไม่ผิดนะ If station ะะ If my memory serves me my memory serves me serves well, ะะ There's next to the serves well, to school. gas a ハンタ่マンは、「いつもは、いつもは、いつもは、いつもは、いつもは、いつาは、いつもは、いつもは、いつもは、いつもは、いつもは、いつもは、いつもは、r、つもは、いつもは、いつもは、いつもは、いつも l いつもは、いつもは、 เรื่องมาดูตัวอย่างนะคะ if my memory serves me correctly this is not the first time you missed the plane อีกหนึ่งครั้งนะคะ if my memory serves me correctly this is not the first time you missed the plane นะคะความหมายประโยคนี้ก็คือถ้าท่านจำไม่ผิดแล้วก็อย่างเงี้ยนะคะหรือท่านจำไม่ผิดนะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คุณเนี่ยตกเครื่องนะค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ Mike didn't drink yesterday if right. Mike didn't drink If my memory serves me、right. ะะ drink if my memory yesterday. serves serves right. カーนディノーナカーボーワーネタジャミピッネカーノータ If memory serves well ในตอนแรกที่พูดไปนะคะยังมีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่นิยมใช้นะคะแต่ใช้ในภาษาแชทค่ะหรือตอนพิมพ์เนี่ยนะคะเราจะใช้นะคะคำว่า if I recall correctly นะคะ if I recall correctly ก็คือแปลว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนกันนะคะหรือเราจะพิมพ์ย่อๆเนี่ยนะคะไว้แชทกับเพื่อนเนี่ยนะคะว่า IIRC นะคะย่อมาจาก if I recall correctly <c oughs> ก็คือแปลว่าถ้าฉันจำไม่ผิดค่ะค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ if I recall correctly Jim is scared of rabbit because he got bitten by a rabbit when he was young อีกหนึ่งครั้งนะคะ if I recall correctly Jim is scared of rabbit because he got bitten by a rabbit when he was young ประโยคนี้หมายความว่า ถ้าจำไม่ผิดนะจิมเนี่ยกลัวกระต่ายค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยโดนกระต่ายกัดเมื่อตอนเป็นเด็กนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.teachtranslation.com ค่ะ วันนี้รายการของเรานะคะหมดลองแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการเอ็งลิสเราอยู่ได้ใหม่ในวันพุทธหน้าคะ่ะช่วงเวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งทางสถานีวิทยุกระใจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี